อันธมยางพุท ธ, ธาพิทุติงการมะเซโยโสตถาค า, าโตพระตาทาค็เจ้านั้นพระองค์ใดอารานังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ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 อนุตโรปุริสัธรรมมาสารีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ ผู้เบิกบานด้วยธรรมพักเขาว่าเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสมาระกังสะพรมะมากัง สัตสามนาปราหมณิยปัจจังสะเทวมนุสังสยังอภินยาสัชิกตวาปเวเทศีพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสรสโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามานพรหมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเศสศีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงทำแล้ว อาทิการลยานังไยเร่อในเบื้องตน้นมาเชกัลยานังไยเร่อในท่ามกลางปาริโยสานกันลยานังไผเร่อในที่สุด สาทั้งสัพพยัญชนะเกวริปาริปุญังปริสุทธังพระมาจาริยังปากาเซสีท่งประกาศพรหมจาร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถพร้อมทั้งพยัญชนะ ตามานั่งพักเวันตังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเจ้าพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตมานัาน่งพักวันตังศิรส า, านัมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว